รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ 8,000 บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น h o u s ์ House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มคือเดิมทีนิยามสูญญากาศเราพูดว่ามันต้องไม่มีอะไรถูกไหมแต่เราอาจจะกล่าวได้ว่านั่นเป็นนิยามแบบคลาสสิกแต่ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีคอนตัมแล้วล่ะก็สุญญากาศในแบบคอนตัมเนี่ย จะพบว่าความว่างแบบร้อยเปอร์เซ็น่ะมันไม่มีหรอกความอัศจรรย์ของฟิสิกส์ว่าแบบเออบางทีเราศึกษาอะไรลึกจริงๆริงอะอสิ่งที่มันว่างเปล่ามันยังมีอะไรบรรจุอยู่ในนั้นเต็มไปหมดคือขนาดเรื่องของสุญญากาศหรือความว่างนักฟิสิกส์ยังศึกษาจนมันไม่ว่างได้ขนาดเนี้และไอของที่มันไม่ว่างมีสารมีอะไรเนี่ยเออมันจะน่าสนใจขนาดไหน you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears ได้ใ น, ใ, นในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวในสภาวะสุญญากาศอาจจะนึกถึงการไม่มีอากาศใช่ไหมคะมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ดูเหมือน เป็นพื้นที่โล่งๆว่างๆหรือเปล่าแต่ว่าท่ามกลางความว่างเปล่าเหล่านั้นก็กลับมีอะไรให้ศึกษาอีกมากมายเลยนะคะมาคุยกันเรื่องนี้ในใดๆ ใ, ในโลกโลนฟิสิกส์ค่ะอยู่กับฟางรัฐรอดจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัดว่ารงจันทมาศครับสุญญากาศที่เราคุ้นเคยกันเหมือนภาพข้างหลังเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะนึกถึงบนอวกาศจริงๆแล้วสุญญากาศมันคืออะไรค่ะพี่ปองแปงสุญญากาศเนี่ยผมพูดแบบทั่วไปก่อนนะสุญญากาศเนี่ยเป็นคําที่มนุษย์เราใช้เป็นปกติ ใช้เรียกอุปกรณ์ต่างๆเครือ่องแพ็กสุญญากาศ อ, าอะไรพวกนี้หรือสุญญากาศทางการเมืองนะฮะซึ่งเราดูจะคุ้นเคยกับมันดีแต่ถ้าเรามองในทางฟิสิกส์เนี่ยสุญญากาศเนี่ยถ้าจะพูดถึงธรรมชาติของมันแบบกว้างที่สุด<ะ>สุญญากาศคือสภาวะที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแม้แต่อากาศไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลย นั่น่ะคือสภาพสุญญากาศแล้วเราไปรู้ได้ยังไงคะว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ามันก็ต้องตรวจสอบมันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นว่าเรามีหรือไม่มีเราไปรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีจริงๆนะมถึงว่างงความไม่มีเนี่ยมันมีอยู่จริงเราไปรู้ได้ยังไงใช่ไห ม, มคืออย่างนี้ก่อน ถ้าย้อนกลับไปในสมัยกรีกโบราณนะฮะคุณอริสโตเติลอีกแล้วอืออริสโตเติลเนี่ยมีความเชื่อว่าสุญญากาศไม่น่ามีจรงิงออเขารู้สึกว่าถ้าสมมติข้างหน้าเราเป็นสุญญากาศคือไม่มีอะไรอ่ะของที่มันมีอยู่รอบรอบมันต้องไหลเข้าไปเติมอย่างเร็วมากจนจนสุญญากาศมันน่าจะไม่มีหรือไม่เสถียรมันต้องแบบมันไม่น่าจะมีมแล้วความเชื่อของอริสโตเติลเชื่อว่าถ้าสุญญากาศมีจริงอะไรก็ตามที่วิ่งอยู่ในนั้นมันจะต้องเร็วเป็นอ น, นันต์ หมายความว่าอาริสโตเติลเชื่อว่าอย่างเช่นถ้าเราไปไว่ายน้ําอย่างเงี้ยค่ะเราก็ว่ายได้ช้าอพอวิ่งอยู่ในอากาศที่มันโปร่งหน่อยแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นใช่ไหม<อ>แต่พอไปอยู่ในสุญญากาศที่มันไม่มีอะไรขวางกันเลย อ, อะอ ร, อริสโตเติลหมอบว่าความเร็วมันคงเป็นอ น, นันต์ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ อ, อยุค ก, กรีตยุค อ, อริสโตเติลเขาก็เลยเชื่อว่าสุญญากาศไม่มีจริงแหละค่ะอืซึ่งก็ไม่น่าแปลกเพราะว่า สุญญากาศไม่ใช่ของที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันอย่างง่ายๆนะครับอเอาแล้วเราไปเจอครั้งแรกที่ไหนล่ะออืคนแรกๆที่คนพบสุญญากาศเป็นลูกศิษย์ของกาลิเลโอชื่ออีวานเจลิสตาทอริชัลีชื่ออลังการมาก ค, คุณทอริชัลีเนี่ยศึกษาเรื่องความดันนะเขาเอาประลอดนะมาใส่ท่อยาวๆ ย, ยาวมากเลยเป็นท่อหลอดแก้วนะครับใส่ประหลอดอะอประลอดที่เป็นของเหลวเป็นพิษอะนะใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปคว่ำไว้ในอ่าง ปรากฏว่าถ้าท่อของมันยาวพอนะด้านบนของท่อเนี่ยที่เติมเดิมทีมีประลอดอยู่เต็มมันจะลดระดับลงมานิดนึงอกลายเป็นที่ว่างขึ้นอพอทดสอบอะไรบางอย่างไปไปมาๆก็พบว่าตรงนี้มันเป็นสุญญากาศอซึ่งมันอยู่ในอยู่ในเหมือนพื้นที่จํากัดตรงนั้นใช่จะเห็นได้ว่าการจะศึกษาสุญญากาศไม่ได้ง่ายอต้องอยู่ในการทดลองที่แบบจำเพาะเจาะจงมีเครื่องแก้วที่ดีมีอะไรแบบนั้นแล้ว ต่อมาคนชื่อออตโตฟอนเกริกเนี่ยเขาทดลองนะฮะเขาเป็นนักประดิษฐ์นี่แหละเขาลองเอาเหล็กนะฮะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม2อันมาประกบกันแล้วดูดเอาอากาศออกหมดพอดูดออกหมดปุ๊บเหล็กสอันเนี้ยประกบติดกันแน่นอแน่นถึงขั้นเอามาสองตัวเนี่ยมารากดึงออกจากกันไม่ออกโเ<อ>ท่ากับว่าข้างในเนี่ยเป็นสุญญากาศที่มันดูดติดกันแน่นจริงๆถามว่าทำไมมันดูดคําตอบก็คืออากาศที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เราชินกับมันแต่มันมีแรงดันอยู่ และแรงดันเนี่ยมันดันไอตัวทรงกลมเนี่ยทุกทิศทาง<อ>จากด้านนอกแต่ข้างในไม่มีแรงสู้มันเลยนะมันก็เลยประกบติดหนึบเลยค่ะจริงๆภาวะสุญญากาศเนี่ยเราเจอง่ายมากเลยครับก็ตามจุ๊บสุญญากาศที่เราเอาไว้แปะอยู่กับรถ อ, ะอ่ะอที่เป็นแปะแล้วแบบเอาไว้กันแสงบ้างหรือว่าแปะตุ้กระตุ่นตู ก, กตาแปะป้ายโน่นป้ายนี้อะไรเงี้ยฮะไอจุ๊บเนี่ยพอจุ๊บเข้าไปแรงๆที่กระจกอะครับข้างในมันไม่ไม่มีอากาศเนาะเป็นเป็นสุญญากาศ มันก็จะข้างในไม่มีแรงดันมากเท่ากับข้างนอกมันก็ดันติดเข้ากับกระจกอย่างดีเลยนะซึ่งถ้ากระจกมันไม่ค่อยเรียบเนี่ยตรงขอบที่มันควรจะเป็นสุญญากาศมันก็จะถูกดันเพเย อ, ออกมาอากาศไหลเข้าไปได้มันก็จุ๊บไม่ค่อยอยู่นั่นเองอนะคะ่ะค่ ะ, คะแล้วในสภาวะสุญญากาศอันนี้เราเห็นตั้งแต่ของแบบเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ป่องแปงไปจนถึงแบบภาพแบบของการออกไป นอกโลกที่มันไม่มีอากาศอยู่ในสภาวะสุญญากาศจริงๆแล้วกฎทางฟิสิกต่างๆอะไรเงี้ยที่มันอยู่บนบนโลกที่มีเอากาศปกตินี่มันต่างไปไหมคะถ้าเวลาไปอยู่ในสภาวะสุญญากาศเฮ้ยจริงๆกฎฟิสิกเนี่ยนะมันจะใช้การได้ทุกจุดในเอกภพอยู่แล้วดัง<ห>นั้นไม่ว่าจะเป็นสุญญากาศหรือมีอากาศหรือมีแก๊สอะไรก็ตามกฎฟิสิกต้องไม่เปลี่ยนเอาอย่างนี้ก่อนกฎฟิสิกเนี่ย จะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ใดหรือช่วงเวลาใดนะครับมันจะต้องเป็นของที่ใช้การได้ตลอดแล้วก็ทุกคนในเอกภพจะต้องเห็นกฎฟิสิกส์เหมือนกันหมดเอางี้ดีกว่านี่เป็นธรรมชาติของกฎฟิสิกส์นะแล้วถ้าพูดตรงๆนะในการคํานวณต่างๆเอาอย่างกลศาสตร์คลาสสิกนะฮะที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราชอบคํานวณในสุญญากาศด้วยเช่นอะเช่นเราปล่อยหินอะหรือปล่อยอะไรสักอย่างให้ตกลงพื้นเนี่ยแล้วเราเขียนสมการการเคลื่อนที่ของมันเนี่ย เราเขียนในสุญญากาศนะเพราะถ้าใส่อากาศเข้ามามันจะซับซ้อนขึ้น oh. มากๆดังนั้นกฎฟิสิกส์ที่เราใช้กันแบบทั่วไปเลยเริ่มต้นเนี่ยมันใช้ในสุญญากาศกา่อนในสภาวะสุญญากาศหรือวัตถุเรียบกริป <c oughs> อะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นกฎฟิสิกส์ใช้ได้แน่นอนแล้วใช้ได้ดีด้วยในสุญญากาศมีอากาศเนี่ย ยากล้ก็ต้องเติมแฟกเตอร์ต่าง ๆ, ๆเข้ามาแรงด้านอากาศอะไรพวกเนี้ย อ, อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องคํานวณยากซับซ้อนขึ้นแต่ก็ที่จิงใช้ได้แน่นอนแต่เมื่อี้พูดถึงอวกาศใช่ไหมน้องฟังว่าอวกาศเป็นสุญญากาศไหมเป็นใช่ไหมฟังว่าเป็นเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอากาศอากากศหรือมันไม่มีออกซิเจนที่เราแบบหายใจได้ใช่แต่นะมันเป็นสุญญากาศขนาดไหนอ๋อฮะผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนคือ ถัดจากออตโตฟอนเกริกที่เขาทำลูกกลมประกบติดกันใช่ไหมครับยุคต่อมานะฮะประมาณช่วงประมาณก่อนปี1900ช่วงแถวๆนั้นนะประมาณร้อยกว่าปีเท่านั้นมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อคุณครูกเขาเอาหลอดแก้วมาแล้วเขาสูรดูดเอาอากาศออกแบบเยอะมากเลยจนกระทั่งข้างในเป็นสุญญากาศที่แบบแทบจะไม่มีอะไรมากกว่าคนอื่นมากๆนะคือฟังแล้วงงหมคือความเป็นสุญญากาศเนี่ยจริงๆมันมีระดับของมัน ว่าสุญญากาศมาก<อ>สุญญากาศน้อยอสุญญากาศสุดสุสุญญากาศโคตรสุญญากาศมากๆ อ, อะไรแบบนั้น<อ>คุณทรูบคุณครูกเนี่ยเขาดูดอากาศออกจากท่อแล้วข้างในเนี่ยหลอดแก้วเนี่ยนะมันกลายเป็นสุญญากาศคุณภาพสูงมากเลยในยุคนั้นอพอเขาเอาขั้วไฟฟ้ามาลองต่อดูนะฮะข้างในมันเป็นแก๊สที่แบบความดันต่ำมากแทบไม่มีแก๊สเลยแล้วเพราะว่ามันมีรังสีบางอย่างเชื่อมออกจากขั้วลบพุ่งมาทางขั้วบวก รังสีเหรอคะใช่ในยุคนั้นเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยเขาเรียกว่าครุกทูปนะครูกทูปคือท่อของคุณครู๊กแล้วก็หลอดของคุณครู๊กนะแล้วก็ไอ้รังสีเนี่ยก็เรียกว่ารังสีแคโทดเพราะว่ามันวิ่งออกจากขั้วลบถามว่ารู้ได้ไงว่าวิ่งออกจากขั้วลบเพราะเอาอะไรไปบังปุ๊บเนี่ยมันมันเกิดเงาทางขั้วบวกเราเห็นทิศมันการวิเคราะห์ในเวลาต่อมาทําให้นักฟิสิกส์รู้ว่าไอ้ที่มันพุ่งออกมาเนี่ยคืออิเล็กตรอนคืออนุภาคมูลฐานที่เล็กที่สุด อย่างหนึง่งที่ประกอบขึ้นเป็น ส, สารเป็นเอกภพนะครับอจะเห็นได้ว่าความเป็นสุญญากาศนี่มีประโยชน์ต่อการค้นพบทางฟิสิกส์มากๆแล้วไอ้เครื่องเครื่องเร่งอนุภาคอย่าง LHC ของเซ N ร์นท่อใหญ่ๆเนี้ยก็เป็นสุญญากาศเพราะว่าเราจะต้องเร่งอนุภาคให้มันเร็วมากๆความเร็วเข้าใกล้แสงถ้าเกิดมันมีอากาศมันทําความเร็วไม่ค่อยได้มันชนกับโน่นกับนีนบน่ท่อเนี่ยต้องเป็นคุณภาพสุญญากาศคุณภาพสูงมากเข้าไปอีก ะะคำว่าสุญญากาศมันมีเลเวลของมัน<ะ>ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงในปริมาตรที่เราคุยกันเนี่ยมันมีอนุภาคอยู่ในนั้นอะ่ะเท่าไหร่ยิ่งมีอนุภาคอยู่น้อยสุญญากาศยิ่งคุณภาพสูงดังนั้นผมตอบคาถามของฟางตอนแรกว่าเราเรู้ได้ไงว่ามันเป็นสุญญากาศ<ะ>เขาก็จะต้องหาวิธีการประเมินคุณภาพของมันว่าในช่วงลูกบาศเ์เซนเล็กๆเนี่ยมีอนุภาคอยู่กี่เท่าไหร่นะฮะก็ต้องมีวิธีการประมาณหาว่ามีอนุภาคมากน้อยแค่ไหนยิ่งอนุภาคในนั้นน้อย ยิ่งเป็นสุญญากาศคุณภาพสูงซึ่งอุสุญญากาศคุณภาพสูงสูงก็เจอได้ในเครื่องเล่นอนุภาค LHC หรือว่าพวกแบบการทดลองชั้นนําแบบพวกไรโก้อะไรพวกนี้ที่ตรวจจับเคลื่อนความโน้มถ่วงพวกนี้จะต้องใช้สุญญากาศคุณภาพสูงเหมือนเหมือนถ้ายิ่งตัดปัดจจัยเรื่องอากาศออกไปก็อาจจะแบบทําให้ศึกษาอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่การทดลองแต่แต่แตอวกาศนี่จริงๆเออคิดว่าอวกาศเป็นสุญญากาศคุณภาพสูงหรือต่ํา เออคิดว่ า, าสูงแบบไหมถูกต้องฮะอวกาศโดยทั่วไปนะโดยเฉพาะอวกาศห้วงลึกหมายาว่าอวกาศรอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ลึกมันตึ้ น, นมันอยู่ใกล้โลกแต่ถ้าลึกแบบแล้วรอบๆมันไม่มีแก๊สมีอะไรนะส่วนใหญ่แล้วมีเป็นสุญญากาศคุณภาพสูงสูงแบบสูงมากค่ะและต่อให้เป็นเนบิวลาเนบิวลาเนี่ยถ้าเราดูรูปนะครับ เราก็จะเห็นเป็นแก๊สที่มันฟุ้งอยู่ในเอกภพแล้วก็ดูเป็นสีสันต่างๆสวยงามเซิร์ชเขาว่าเนบิวลาเนี่ยชัดเจนสวยงามเนบิวลาเนี่ยเป็นสุญญากาศนะอถ้าเอาโดยนิยามจริงๆเนี่ยไม่เป็นสุญญากาศที่คุณภาพค่อนข้างสูงมากอาจจะไม่เท่าการทดลองชั้นนําหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสูงมากแต่เราเห็นมันดูหนาแน่นอเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยคือมันหนามากหมายความว่าตัวเนบิวลาเนี่ยเวลามองเวลาเรามองไปที่เนบิวลาเนี่ย เนบิลานี่มันหนามากแก๊สมันกระจายอยู่ในความหนาเป็นหลักปีแสงดังนั้นมันหนามากๆเลยเราสายตาไม่ชนกับแก๊สโมเลกุลหนึ่งก็ชนกับตัวที่อยู่ข้างหลังออกไปแล้วก็เลยดูเหมือนมันหนาแน่นและที่สำคัญแก๊สเราเนี้มันเปล่งแสงออกมามันยิ่งทำให้ตัวมันดูเหมือนจะเติมสเปซจนเต็มเหมือนแบบมันแน่นมากเนบิลานี่เบาบางมากอวกาศเนี่ยคือดินแดนแห่งสุญญากาศโดยแท้ หือจะเรียกว่าเอกภพเป็นดินแดนแห่งสุญญากาศก็ได้นะครับแต่ถามว่าเป็นสุญญากาศร้อยเปอหมก็ไม่มันก็ต้องมีรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารังสีคอสมิกอนุภาคนิวติโ น, โนมีอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ถือว่าคุณภาพสูงอืมค่ะซึ่งการเข้าใจสุญญากาศเนี่ยมันส่งผลต่อการศึกษาฟิสิกส์ในเรื่องอื่นๆด้วยไหมคะโอ้โหถามที่ดี น, นี่ถามสดเลยเป็นคําถามที่ดีคื อ, อ, อความรู้เรื่องสุญญากาศเนี่ยฟังดูมัน ไปรู้เรื่องความไม่มีมันจะมีอะไรอย่างแรกเลยคือมันทําให้เราถ้าเราสร้างสุญญ า, ากาศคุณภาพสูงได้อุปกรณ์การทดลองหลายอย่างบนโลกเช่น<ๆ>อย่างที่บอกเครื่องเร่งอนุภาค LHC s l นะครับมันก็ทําความเร็วได้ไดีดนะยิ่งถ้าสุญญากาศมีคุณภาพสูงโปรตอนหรืออะไรที่มันวิ่งอยู่ในท่อ น, นั้นอ่ะมันก็ต้องไม่ไมต้องไปชนกับใครเราก็สามารถสร้างอะไรที่มันเ f ฟเฟกติฟหรือมีประสิทธิภาพสูงได้แล้วอย่างที่2คือการศึกษาสุญญ า, า, ากาศลึกถึงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย เราค้นพบเรื่องประหลาดเกี่ยวกับมัน<ะ>มันประหลาดมากมันประหลาดจนแบบว่าผมคิดว่ามันประหลาดมากอะ่ะคือเดิมทีนิยามสุญญากาศเราพูดว่ามันต้องไม่มีอะไรถูกอืมมันต้องว่างเปล่าใช่แต่เราอาจจะกล่าวได้ว่านั่นเป็นนิยามแบบคลาสสิกแต่ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีคอนตามแล้วแล้วก็สุญญากาศในแบบคอนตามเนี่ยจะพบว่าความว่างแบบรอเอร์ตนะ แบบนั้นนะฮะมันไม่มีหรอก mm hmm. เพราะต่อให้มีความว่างอยู่ร0อเซในระดับที่ไม่มีอนุภาคอะไรเข้าไปหรือเราดูดแก๊สออกหมดได้อย่างร้อยเนคุณสมบัติของที่ว่างในทางควอนตัมเนี่ยมันจะมีพลังงานของที่ว่างอยู่หน่อยแล้ว mm hmm. มันจะก่อให้เกิดอนุภาคกับปฏิอนุภาคงอขึ้นมาจากที่ว่างนั้นเพราะมันมีพลังงานที่ไม่เป็นศูนย์อยู่ mm hmm. พองอออกมาปุ๊บมันจะวิ่งมาชนกันแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดแบบ เร็วมากถึงแม้จะเป็นสุญญากาศที่แบบว่าสมบูรณ์แบบลรา <Ừ. S 1> ดูดออกไปหมดแล้ว <Ừ. S 1> แต่ น, นี้เป็นคุณสมบัติของที่ว่าง <Ừ. S 1> ที่ว่างมันเกิดการกระเพื่อมของพลังงานขึ้นมานิดหน่อยแล้วมันก็เกิดอนุภาคแบบนี้เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานิดหน่อย <Ừ. S 1> แล้วก็ทําลายกันโดยที่เราไม่สามารถตรวจจับโดยตรงได้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าว um ัคคัมฟลักตูเอชันหรือการกัดกัดแ ก, ดกงของของสุญญากาศกวัดแกวงของสุญญากาศคือมันคือมัน f l ักตูเอชกระเพื่อมอ่ะการกระเพื่อมของสุญญากาศมันกระเพื่อมขึ้นลงนิดหน่อยค่ะ แตถามว่ามันมีจริงไหมอืมอืมก็มีจริงเราสามารถใช้ธรรมชาติของวัคคัมฟลักตูเอชันเนี่ยไปอธิบายอะไรในธรรมชาติได้หลายอย่างเช่น<ะ>อย่างคุณสตีเฟนฮอว์กิ้งเนี่ยก็เอาธรรมชาติของวัคคัมฟลักตูเอชันเนี่ยไปอธิบายการแผ่รังสีของหลุมดําอ้นะคือหลุมบริเวณขอบขอบหลุมดำอ่ะมันก็จะมีการเกิดของอนุภาคกับปฏิอนุภาคก็ออกมามถ้าตัวใดตัวหนึ่งตกเข้าไปในหลุมดําสิ่งที่งอกออกมาเนี้ยก็จะเป็นรังสีของฮอว์กิ้ง รังสีของฮ่องกงก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอแต่เราเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้โดยวางอยู่บนรากฐานของวัคคัมฟลักตัวเอชชั่นแล้วเราก็วัดวัคคัมฟลักตัวเอชั่นโดยตรงได้ด้วยการทดลองที่เรียกว่าแคสเซี่ยมิเอฟเฟกฟังดูซับซ้อนน ะ, ะจริงๆมันเรียบง่ายก็คือเอาเอาโลหะตัวนํา2อันมาอยู่ ใ, น ใ, นใกล้ๆกันแคบๆมากๆใกล้มากๆอะใกล้กว่านี้ใกล้ๆจนเกือบติดนะครับปรากฏกาว่ามันจะมีแรงบางอย่างดันเข้ามาให้โลหะเนี่ยติดกัน แรงเนี้<ม>ก็คือแรงที่เกิดจากวัคคั่มฟักตัเอชั่นหมายความว่าอนุภาคที่มันจะเกิดลลลลตลอดเนี่ยที่อยู่ด้านนอกโลหะแล้วมันเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ที่มันไปฟิตอยู่ระหว่างกลางของแผ่นโลหะเนี่ยมันมีได้น้อยกว่าด้านนอกอดูนะ ค, คือมันถูกความกว้างของแผ่นโลหะจํากัดเอาไว้ค่าหนึ่งทําให้มันไม่ได้มีอนุภาคทุ ก, ทกความยาวคลื่นหรืออะไรเงยที่มันจะไปอยู่ตรงกลางได้ตรงกลางก็เลยมีความดันต่ํากว่าด้านนอกน้อยมากอ และเมื่อมันอยู่ใกล้กันพอผลนี่ก็จะสังเกตเห็นได้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็เห็นแคสิเมียเอฟเฟกตนี้ในการทดลองจริงๆริง อ, ม อ, มอปเมซิ่งเหมือนในพื้นที่ว่างก็มีพลังงานบางอย่างเป็นพลังงานของสุญญากาศใช่แล้วก็ทุกวันนี้ก็มีการทดลองแล้วก็เชิงทฤษฎีสพยายามศึกษาว่าค้ามฟลักตูเอชันนี้ในทางต่างๆว่ามันส่งผลต่อแสงหรือส่งผลต่อปรากฏการณ์อะไรต่างๆอีกเยอะนะครับมีไงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเยอะเลย ก็นี่แหละคือเรื่องของที่ว่างมันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ละตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าพูดในทางควันตั้มเนี่ยพอมันมันมีการกวัดแกงของของพลังงานที่ไม่เป็นศูนย์มันก็มันก็มีอนุภาคปฏิอนุภาคงอออกมาจากที่ว่างแล้วก็ชนกันกลายเป็นพลังงานแบบนั้นเป็นกระทอนหายใจเลยทีเดียวเป็นไงฮะพ่อพออ get ไอเดียบ้างมพอฟังแล้วก็เราก็อึ้งอไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่า เพราะว่าที่ว่างเนี่ยเราก็จะเข้าใจไปโดยปริยายว่ามันก็ว่างแต่ว่าพอบอกว่ามันไม่ว่างมันก็เป็นการตั้งคำถามที่ก็ท้าทายต่อสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยกับมันมาคืออย่างนี้ผมอธิบายนิดนึงคือความเข้าใจของเราอะในบางครั้งอะถ้าเราไม่วางอยู่บนคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนกับการสังเกตการที่ชัดเจนความเข้าใจอะไม่ถึงผมเองนะหลายๆครั้งผมคิดว่าผมเข้าใจเรื่องนี้ดี อย่างเช่นผมผมเรียนฟิสิกส์นะเรื่องนี้เข้าใจแหล ะ, ะแต่พอไปนั่งคํานวณทําโจทย์อะอ๋อไม่ได้เข้าใจเราแค่คิดว่าเราเข้าใจแต่พอไปนั่งคํานวณโจทย์อย่างอย่างดีพออ๋อเราเข้าใจตื้นมากเลยแล้วก็เข้าใจผิดหลายอย่างการคํานวณอะจะทําให้เราเข้าใจว่าโหเราเราเข้าใจลึกขึ้นได้แล้วอย่างที่อสองคือพอเราทําการทดลองมันจะมีแ a บฟิสิกส์มันทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาอีกว่าอ๋อมันมีผลต่างๆเยอะแยะเลยที่เราต้องคํานวณที่ในหนังสือบางที เขาก็อาจจะไม่ได <Jamie, S 1> ้เขียนจนครบแต่ว่าพอมันทําในแ a b จริงๆทดลองจริงๆเนี่ยมันเห็นแบบนั้นค่ะประเด็นที่พูดตรงนี้ก็คือบางทีเขาว่าที่ว่างอะครับมนุษย์เราใช้คําเนี้ยอยู่ตลอดอยู่ในบริบทของชีวิตประจำวันอยู่ในบริบทของปรัชญาอยู่ในบริบทของทําให้ใจว่างทําให้แบบที่ว่างนั้นมีประโยชน์เพราะความมีเพราะความว่างอะไรแบบนั้นนะถ้ามันเป็นความหมายกลางๆที่เราอาจจะตกลงกัน ร่วมกันจริงๆได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่ในทางสุญญะในทางฟิสิกส์เนี่ยพอทุกอย่างมันมาเป็นตัวเลขกับการทดลองแล้วอะมันกลายเป็นของที่จับต้องและค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแล้วถ้าเรานึกเห็นภาพแบบอย่างที่เห็นหรือว่าเราเห็นชุดนักบินอวกาศแล้วก็ในหนังมันจะต้องมีซีนแบบว่าใครบางคนออกไปโดยที่ออกซิเจนไม่เพียงพอหรือว่าชุดมันพังอะไรเงี้ยแล้วก็จะตายเลยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะ ใช่คือชุดนักบินอวกาศเนี่ยเอาไว้สร้างาสภาวะที่อากาศเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็ปรับความดันนะครับคือเราเห็นรูปนักบินอวกาศออกไปปฏิบัติภารากิจนอกโลกแบบนี้เขาต้องใส่ชุดนักบินอวกาศนะมเมื่ออยู่นอกยานเพราะว่ามันไม่มีอากาศอพอไม่มีอากาศก็หายใจไม่ได้แต่ที่ร้ายแรงกว่า น, นั้นคือมันจะทําให้ร่างกายเขาเนี่ยถ้าไม่ใส่ชุดนะฮะ ร, ร่างกายเรามีความดันต้านกับอากาศรอบๆอยู่แล้ว อพอออกไปในสุญญากาศร่างกายมันไม่มีอะไรดันกลับเข้ามามันก็จะเส้นลงเส้นเลื่อดอะไรมันระเบิดเพาะออกไปเลยอ่ะ oh. สยองอแต่กระนั้นก็ตามถ้าเราไปเยืนดาวเคราะห์ดวงอื่นแม้ว่าจะเป็นดาวอังคารก็ตามก็ต้องใส่ชุดอวกาศแม้ว่ามันจะมีแม้ว่ามันจะมีความดันค่อนข้างปกติสมมตินะครับหรือดาวอะไรก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอากาศที่อยู่บนดาวดวงนั้นนะต่อให้ไม่ใช่สุญญากาศ อากาศมันก็เป็นพิษง่ายมากอคือมนุษย์เราอะ่ะเซนซิทีฟต่อธรรมชาติของอากาศมากสัดส่วนออกซิเจนเขาไม่ได้ออกไซา์อะไรเปลี่ยนไปไม่มากเนี่ยถือเป็นแก๊สพิษเลยนะถือเป็นพิษต่อร่างกายแล้วกันเอ า, อางี้แล้วกันอนะครับแล้วก็บอกเป็นเกรดเล็กน้อยว่าชุนักบินอวกาศเขาต้องปรับความดันเนา ะ, ะดังนั้นหลายคนก็เลยคิดว่าชุนักบินอวกาศจะต้องมีความดันเท่ากับอากาศภายนอกถูกไห ม, มเพื่อที่จะได้เหมือนอยู่บนโลกอแต่จริงๆในทางปฏิบัติเราอาจจะให้ความดันเนี่ย โดยทั่วไปน้อยกว่า บ, บนโลกนิดหน่อยให้ถ่าย เ, เพราะอะไรอ่าแปลกไหมแปลกค่ะอคําตอบก็คือถ้าให้มันความดันเท่าอากาศบนโลกเนี่ยบางทีการเคลื่อนไหวหรืออะไรเน่ยมันเหมือนอากาศมันแน่นไปมันไม่คล่องตัวอเราก็อาจจะต้องลดลงหน่อยเพราะว่าชุดนี่มันก็เทอะทะอยู่แล้วก็ต้องลดความดันลงนิดนึงเพื่อให้แบบการเคลื่อนไหวอะไรมันคล่องตัวกว่า อ, อะไรแบบนั้นะนะคระับ พ, พอเราฟังมาแบบนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแล้ว วันนี้นักฟิสิกส์หรือว่านาาักพิทยาศาสตั้งคำถามอะไรกับที่ว่างอยู่อีกบ้างคะโอ้มีก็อย่างที่บอกนะฮะก็พยายามศึกษาว่าคั่มฟลักตูเอช n นหรือการกระเพื่อมของสุญยากาศเนี่ยแล้วก็พยายามการตรวจจับมันในทางอ้อมด้วยวิธีอื่นๆ อ, อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งเนาะแล้วก็พลังงานของสุญยากาศเนี่ยก็อาจจะศึกษาคะแนนแง่ว่า ถ้าในแง่ของภาพรวมทั้งเอกภพเนี่ยมันส่งผลอย่างไรอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักฟิสิกาาส์เขาศึกษากันนะครับคือเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่บอกอะไรบางอย่างกับเรารู้มอือคือขนาดเรื่องของสุญญากาศหรือความว่างอนักฟิสิกส์ยังศึกษ า, าจนมันไม่ว่างได้ขนาดเนี้ยและไอ้ของที่มันไม่ว่างมีสาาสารมีอะไรเนี่ยเออมันจะน่าสนใจขนาดไหนลองคิดดูดิใช่ไหมนี่ขนาดคือที่ว่างเนี่ยเราพูดกันมาแบบ อุศึกษากันมาตั้งแต่อู๋อริสตอร์ลมีความคิดมีเอามาอ้า ม, มาดึงอะไรจนแบบมันไปทางคอนตัมฟักตัวเอชไปขนาดนี่คือเรื่องของที่ว่างนะแล้วความไม่ว่างเนี่ยมันจะไม่ว่างขนาดไหนเออเนี่ยคือความอัศจรรย์ของฟิสิกส์ว่าแบบเออบางทีเราศึกษาอะไรลึกจริงๆอะสิ่งที่มันว่างเปล่ามันยังมีอะไรบรรจุอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเหมือนมันมีเว้นพื้นที่ว่างไว้ให้เติมความรู้ใหม่ๆที่วันนี้เราอาจจะรู้บ้างแล้วบางส่วนแล้วก็ วันหน้ามันก็อาจจะมีอะไรเติมเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวเจอ EP ีที่238รามสอเล่นโอเคก็มาเติมความรู้ในที่ว่างกันด้วยนะคะก็ใครฟังตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกกับที่ว่างหรือว่ามองเวลามองที่ว่างๆบน เอกภพเนี่ยเรารู้สึกต่างไปจากเดิมก่อนที่จะฟังตอนนี้ยังไงบ้างลองแชร์กันมานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรายการได้ไดในโลกโล้นฟิสิกส์ในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe YouTube channel ของเราจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears